จากมาแสนไกลตั้งใจศึกษาเพื่อวันข้างหน้าจะเอาความรู้ไป คนทางบ้านเราต่อไปไม่อายใครเขาให้บ้านเราพัฒนามาเป็นที่หนึ่งสุขใจได้มีเพื่อนดีมากมายอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนทราบซึ้งจึงเป็นแรงช่วยผลักดัน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 ดอกดอกช่อนั้นแ่งบ้านงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมน้อม น, นำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทา สัทธาบัง สู้ความรุงเรืองทั่วกันดังคู่ต้นโตสู้แดดฝนไม่หวั่นออกดอกช่อนั้นแดงบางยามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัด นำพาด้วยคนนุณธรรมนอบนําสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสศรัทธา ดท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่านโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเรานำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงนี้นาะยกรัฐมนตรีเนี่ยมีการเปิดโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook ทั้ง Instagram นะครับแล้วก็ในส่วนของทว i t t e r นะซึ่งก็บอกว่าเปิดมาตั้งแต่วันที่14ตุลาคม มีล่าสุดนี่บอกว่ามีผู้ติดตามกว่าสองแสนค น, นมีการอัปเดตภาพข้อความทุกวั น, นในขณะที่อินสตาแกรก็มีผู้ติดตามกว่าแปดหมื่นคนนะครับทวเอร์มีผู้ติดตามเกือบสองหมื่นคนนะครับซึ่งคนที่ดูแลเพิ่มเติมข้อมูลคอยโต้อตอบเป็นบางครั้งเนี่ยนะครับก็คือนายพุทธิพงศ์ปุณกันซึ่งเป็นรองเลขาธิการนายงตรี นะกเ็เป็นมาช่วยดูแลนะแต่ว่าคนนะที่จะตอบที่จะอะไรต่างๆเป็นหลักก็คงจะเป็นพลเอกประยุทธ์นั่นแหละครับนะโดยเป้าหมายก็เพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนทำให้ประชาชนนี้เข้าถึงนายกรัฐมนตรีได้ง่ายนะครับก็เป็นการมองนะครับนะเพราะฉะนั้นนี้นะก็เป็นการเปิด f a c e b o o นะครับ g r a m ตาแกรมทวิ t เตอทันที่สนใจก็ไปติดตาม ไปติดตามโซเชียลวีดียของนายกงตรีได้เหมือนกันนะครับส่วนในวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานี่ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ได้แถลงนโยบายนะให้สัมภาษณ์ครั้งแรกคือผลเอกอภิรัตคงสมพง์หรือว่าในส่วนของบิ๊กแดงนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่มีการประชุมหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพ บ, บกนะครับแล้วก็ จากการเปิดเผยของอพอบอทอบอก็บอกว่าจะมุ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพแล้วก็พยายามที่จ ะ, ะยึดแนวทางสมาร์ทแมนสมาร์ทโซนเจอร์แล้วก็สตรองอาร์มี่พยายามที่จะเสริมความเข้มแข็งแข่งแกล้งให้กับกองทัพ บ, บกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่ในส่วนของกองทัพ บ, บกนี่ก็จ ะ, ะเน้นในการที่จะ สร้างความเข้มแข็งภายในแล้วก็สนองนโยบายของรัฐบาลก็คือรัฐบาลที่มาทั้งจากอาการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นทีมไหนทหารก็ต้องสนองนโยบายของรัฐบาลเสด็จแดงหรือบิ๊กแดงได้ย้ำอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนีคงจะต้องจับตามองเหมือนกันนะครับว่ว่าเป็นอย่างไรท่าทีของก อ, อ, องทัพนะครับในส่วนของรองนายยงตรีสมคิดจตุสีพิทักษ์ กล่าวถึงกรณีคุณหญิงสุดารัตเกลุยาพันธ์นะครับในส่วนของอแกนนำของพรรคเพื่อไทยเยนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องอโครงการาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบอกว่าเป็นการาแบ่งแยกชนชั้นอะไรต่างๆนี่ก็ในส่วนของรองนายกก็บอกว่ารัฐบาลก็ไม่ไม่เคยเรียกบัตร นั้นว่าบัตรคนจนอย่างที่เรียกกันแต่เรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วก็เป็นโครงการที่ทําขึ้นมาเพื่อคนยากคนจนนะครับนะเพราะฉะนั้นีนตรงนี้นี่ก็คงนะจะต้องถ้าเป็นการตอบโต้กันไประหว่างสิ่งรัฐบาลกับสิ่งนะการเมืองนะครับนะนะก็คงจะต้องดูนโยบายกันต่อไปว่าจะเป็นเป็นอย่างไรนะครับส่วนรองนายงตรีวิษนุเครืองาม ก็ได้พูดถึงกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องอร่างพรบรว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะว่าละเมิดอาจจะนำนำไปสู่การละเมิด ส, ส, สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของประชาชนเพราะว่าให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการไปล้วงข้อมูลของประชาชนจากทั้งโซเชียลมีเดียนะครับจาก ทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมากไปนะครับแต่เป็นลวงข้อมูลมากนะครับทำให้การสื่อสารอาจจะไม่ไม่ไม่ไม่เป็นความลับนะบเพราะฉะนั้นประชาชนสื่อออกมาวิาพากษ์วิจารณ์มากรองนายรตรีก็บอกว่าจะต้องมีหลายขั้นตอนนะถ้าประชาชนทักท้วงมาจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ยังล่างนี้ยังอยู่ขั้นตอนอที่จะต้องกลับเข้ามาที่ประชุมคลรม อ, อีกนะครับจะต้องมา อนันต์สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นะเพราะว่ากําลังมีการปรับปรุงร่างเกี่ยวกับเรื่องของอไซเบอร์นี่แหละครับนะ่ะที่ที่ในส่วนของสื่อก็เอาวิพากษ์วิจารนะว่าให้อํานาจเจ้าหน้าที่ในการไปตรวจยึดไปตรวจคนนะโดยไม่ผ่านนะการหมายสารนะฮนะยังไม่ผ่านการพิจารณาของศาลเพราะนั้นหลายฝ่ายบอกว่าน่าจะต้องให้ให้สารเป็นเป็นคนออกหมายนะจะไปตรวจคนอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของ คอมพิวเตอร์หรืออุปรกรณ์ส่วนบุคคลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็เป็นการถกเถียงกันไปนะครับในในช่วงนี้นะครับเพราะว่าและนายงตีในตอนนี้นาบินไปเยือนเบนเยียมแล้วนะครับนะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับไปเมื่อวันที่18ตุลาคมนะครับก็เดินทางไปร่วมประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่12นะหรือเขาเรียกว่า อาเซมนะครับนะซึ่งเป็นนะเปยทีประชุมระวังอาเซียนผู้นำอาเซียนทุกประเทศกับผู้นสาสหภาพยุโรปนะครับนะพอชะะนีิไปประชุมที่เมืองหลวงของประเทศเบลเยียมนะประชุมกันเป็นที่18บแปถึง20ตุลาคมนี้นะก็มีการมีกำหนดการที่จะพบปะหารือทวิภาคีกับผู้นำชาติต่างๆนะอย่างเช่นนายจูเซเป้กอนเต นายกของประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็นายมากรูเตอร์ Luther, ซึ่งเป็นนายกนเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็นางเออร์นาโซนเบิร์กนายกของนอร์เวย์นะครับแล้วก็รวมทั้งนายชาญมิเชลนายกของเบลเยียมนะครับแล้วก็อาจจะมีการหารือกับประธานาธิบดีมุลแชอินของเกาหลีใต้ด้วยนะครับนะก็มีกัน พูดคุยกันเพราะนั้นก็พบปะพู้นำกันหลายประเทศนะครับก็พยายามที่จะคงจะต้องไปเจราจาคีรายบรรยากาศที่ตึงเครียดระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนะครับเพราะสหภาพยุรยโรปเป็นประเทศกลุ่มประเทศที่วิจารณ์เราเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับในะและพยายามกดดันให้ไทยเรานําไปสู่การเลือกตั้งโด ย, โดยเร็วนะครับโดยมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของ การตั้งกำแพงภาษีสินค้านะครับนะการแสงชั่นต่างๆเนี่ยซึ่งสินค้าเหล่านี้ก็ส่งไปยังยุโรปนะการเป็นตลาดหลักเหมือนกันนะครับองจากสหรัฐอเมริกานะเพราะฉะนี้ก็ต้องเจรจานะพบปะพูดคุยกันนะครับมาลักฟังเพลงครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ ความจำเป็นไปให้ได้ดีเด่นเพื่อสุขสบายให้คนในบ้านจากที่เดิมหากไรได้มาทำงานบ้านที่ต้องจากไปคืนที่คำเดือนไง ลอยกับลมรําเพยพัดพาฝากคําหัวใจจะว่าออกมาจากใจส่งเสียงให้ฟังคอยหัวใจให้คอยอย่าเลือน เธอผู้เป็นแรงใจสร้างเป็นครอบครัวใหญ่ปบปุ่นนักหนาอย่างที่ฝันไป <c oughs> จากหมู่ดาวดวงน้อยต้อยเคลื่อนลับตาจันทร์ที่สวยส่องมาฝันรวมกันเนถิดนาเธอผู้ห่างไกล เพื่อเป็นกําลังหัวใจคืนนี้จนวันใหม่ไม่ไกลกันเลย เรา มาพูดมาคุยกันต่อไปนะครับในช่วงนี้นี่เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของขีดความสามารถนะในเรื่องของการแข่งขันในระดับโลกซึ่งเวที World Economic Forum นะครับก็มีการรายงานถึงขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกประจำปี2011โดยไทยเรานี้ได้รับการ จัดอันดับอยู่ที่ลำดับที่38ก็เพิ่มขึ้น2อันดับนะปีที่แล้วนี่อยู่ที่อันดับ40ก็แสดงว่าการทำงานของทุกฝ่ายเนี่ยทำให้เราเนี่ยดีขึ้นจากการเปิดเผยของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายยงตนะีก็บอกว่าเราเนี่ยความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นแต่ประเทศที่อยู่อันดับหนึ่งก็คือสห ร, รัฐเมกาแหะครั บ, บ ค, ความสามารถนะครับเพราะฉะนั้น ทำอย่างไรที่เราจะาพัฒนานครับขีดความสามารถของเราให้เพิ่มสูงมากขึ้นนะก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะอันดับหนึ่งนี่คือสหรัฐอเมริกาละครับความขีดความสามารถสูงสุดรองลงมาคือสิงคโปร์เยอรม น, นีสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์ฮ่องกงนะอังกฤษสวีเดนเดนมาร์กส่วนใหญ่อยู่ใน อยู่ในโยุโรปเป็นส่วนใหญ่ประเทศที่ขีดความสามารถสูงนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็เราคงจะต้องเร่งปรับตัวนะครับส่วนไทยเราเริ่มที่จะมีการนําระบบปัญญาประดิษฐ์มามาใช้นะครับนะอย่างเช่นตอนนี้กระทรวงคมนาคมบอกว่าระบบเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็จะให้มีการสแกนใบหน้าแทนที่จะมีการใช้บัตรประชาชน เพราะที่ผ่านมานี่เราเราต้องแสดงบัตรประชาชนเวลาเราจะจะขึ้นบินขึ้นเครื่องบินนี่นครับนะออกเดินทางจากการเปิดเผยของนายไพรินชูโชตถาวรนัน่มตีช่วยคมนาคมก็บอกว่าตอนนี้นี่กรมท่ากายานสั่งการให้นำเทคโนโลยีสแกนใบหน้ามาทดลองใช้นะในสนามบินนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินนี่ก็ไม่อาจจะไม่ ใช้บัตรประชาชนใช้วิธีการสแกนใบหน้านะครับนะซึ่งตรงนี้ในต่างประเทศนี่ก็ใช้กันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับใ น, ในสนามบินนะตอนะนี้ตรงนี้คงจะต้องดูว่าจะมีการปรับปรุงกันอย่างไรอาจจะทำให้การาผ่านเข้าตอมหรือผ่านเข้าสนามบินนี่สะดวกสบายมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามีการาใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามานะมาใช้แทน นะระบบมือระดับคนของเรานะครับรวมทั้งในส่วนของคมานาคมนี่มีนโน้มที่จะมีการอนุมัติไฟเขียวให้มีการทำรถไฟฟ้าอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนาร่องนะครับนะเป็นระบบะขนส่งมวลชนนำร่องนะครับนะ่ะรอบๆเมืองขอนแก่นซึ่งมีการเสนอในส่วนของจาก เทศบาลนครขอนแก่นกันขึ้นมาก็เป็นระบบรถไฟรางเบาหรือว่า LRT นะครับซึ่งมีจำนวนทั้งหมด16สถานีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่มีมูลค่าการลงทุนก็ประมาณสอ่ล้านนะครับเนพราะราถ้าทำก็จะมีจังหวัดใหญ่ๆทยอยกันขอจากรัฐบาลมาม า, ม า, มาทำเกี่ยวกับเรื่องของอระบบ ระบบรถไฟรางเบาเนี่ยก็ขึ้นมาหลายๆจังหวัดก็จ่อนะฮะตามขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นที่สงขลาที่ภูเก็ตนะโคราชเชียงใหม่และต่างๆนะครับก็คือในระยะยาวนี่ก็จะมีความสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดนะครับประหยัดกว่านะรถยนต์นะครับคุ้มค่ากว่านะเพราะว่าใช้รถไฟรางเบานะครับนะบก็เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่หลายๆจังหวัดนะก็เริ่มที่จะขยับตัวนะครับ ในส่วนนี้นี่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้นี่มาดูเกี่ยวกับเรื่องของอยอดส่งออกนะครับกระทรวงพาณิชย์ที่บอกว่าในในปี62สองปีสองพเนี่ยยอดส่งออกเนี่ยตั้งเป้าไว้ประมาณห้าปดเซนะครับก็ให้มีมูลค่าประมาณ2องหแดแสนล้านเหรียญ น, นะครับนะซึ่งแม้ว่าจะมี ปัญหามากมายเรื่องสงครามการค้านะสถานการณ์ภัยพิบัติอะไรต่างๆน้ำมันแพงนะแต่ว่าก็ยอดส่งออกของเรานี่ก็ยังก็ยังไม่กระทบก็พยายามที่จะทําให้สูงมากขึ้นนะครับนะ ก, ก็เป็นสิ่งที่ดีแหะครับนะเพราะว่าถ้าสินค้าเราส่งไปขายนะอย่างต่างประเทศมากเงินตรากลับเข้ามาเราจะมาพัฒนาเศรษฐกิจนะก็ตั้งเป้าไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ ก็อยากจะให้รักษายอดการส่งออกไว้นะครับนะโดยโดยเฉพาะการส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาไปที่สหภาพยุโรปนะครับนะแล้วก็กลุ่ม ป, ประเทศจี น, นก็เป็นแหล่งที่จะนำเข้าสินค้าเราเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าในช่วงไตรามาสที่สี่นี่หลายๆคนก็มองกัน้วว่าเศรษฐกิจโลกนี่อาจจะเริ่มชะลอตัวจากสงครามการค้า นะครับระหว่างจีนสหรัฐนะครับที่ค่อนข้างที่จะดุลแรงรวมทั้งมีวิกฤตการณ์ทางการทูตนะระหว่างสหรัฐกับซาอุดีอาราเบียนะครับในกรณีที่ในส่วนของมีการ อ, าอุ้มนักข่าวนะครับนะของหนังสือพิมพ์ในสหรัฐเนี่ยที่สถานกงศูนยซาอุดีอาราเบียที่ตุรกีจะกระทบนะทำให้ซาอุาดีอาราเบียได้มี มีการลดกำลังการผลิตนะครับหรืออาจจ ะ, ะทำให้ราคาน้ำมันในผันผวนนะครับแล้วก็เกิดราคาน้ำมันแพงอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องดูการเมืองในระดับโลกนะสัมพันธ์กับในระดับท้องถิ่นนะเพราะฉะนั้นนี่ก็มีแนวโน้มว่าน้ำมันอาจจะแพงขึ้นนะครับนะแพงขึ้นซึ่งคงนี้คงจะต้องติดตามดูรวมทั้งนะถ้าเกิดการค้าเนะี่ยครับสงครามการค้านะระวัง จีนกับสหรัฐนี่ยังไม่ไม่ดีขึ้นนะครับยังมีการตอบโต้กันไปมาเนี่ก็จะส่งผลกระทบนะบต่อมาตรการกีดกันทางการค้านะก็จะกระทบมายัางบ้านเราเหมือนกันนะครับเนะีเพราะนในคงนี้คงจะต้องมีหลายๆปัจจัยนะครับที่จะต้องดูนะครับนะในในระดับโลกนะเพราะาเรานี่สินค้าของเรานี่ส่งออกพึ่งตลาดสําคัญในระดับโลกเป็นหลักนะครับนะี่ยเราส่งออกไปเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่ ก็คงจะต้องดูนะครับบางครั้งนี่การบริหารจัดการเศรษฐกิจในบ้านเราจะดีแต่ว่าในระดับโลกมีปัญหาเราถุ ก, กิจการทางกานค้ า, าก็ไปไม่ได้มื่นกันนะ ค, คงจะต้องดูปัจจัยได้หลายส่วนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็พยายามที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีนะครั บ, นะรบนะกับประเทศต่างๆนะครับนะเพื่อเพื่อให้ไทยเราเนี่ยมีสถานะในเรื่อง ของการค้าการลงทุนอะไรต่างๆและดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนเราเรามีโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจนะขนาดใหญ่ที่ภาคตอนออกหรือ e ีซีเนี่ยนะครับ ก, ก็เป็นการดึงดูดนักลงทุนมานะเพราะฉะนั้นีนตรงนี้นี่ก็น่าจะต้องติดตามนะและส่งเสริมให้จเจริญรุดหน้าไปสําหรับวันนี้นะครับเวลาของอรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชีวิตจะสั้นเพราะความบุหดีเรามาร่วมมือกัน รถ ล, ละเลิกสุขบุตรครับสำหรับวันนี้ผมนิรันกุลทาน้นต้องขอลาท่า น, นไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ คิดถึงเฝ้ารำพึงคิดถึงแต่เธอมันในรักสมำเสมอ มีความ